ไปอยู่ๆเธอก็มาเมื่อไรเธอทุกข์ฉันจึงมีค่าบอกลาเลยละกันบอกเธอเลยว่าฉันเสียใจ ขอบใจที่เธอทิ้งไปเจ็บคราวนั้นฉันยังจำได้ถ้าเธอไม่สำคัญ w h la I lost her. ใจ